สวัสดีค่ะคุณฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อนเตือนภัยค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวการเตือนภัยการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะเรานํามาฝากกันในช่วงเวลานี้ในทุกๆเช้านะคะของวันพฤหั ส, สบดีแบบนี้ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะจากกันเช่นเคยนะคะดิฉันอาทิตยาปกระทานังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการแล้วก็มีเรื่องราวน ะ, ะที่จะมานําเสนอนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการตีแผ่ แล้วก็เป็นการเตือน ให้กับคุณฟังหลายท่านได้ระมัดระวังในชีวิตประจําวันของเราด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยหลากๆเรื่องราวเองเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะสามารถเกิดเรื่องขึ้นได้นะเกิดสิ่งที่เป็นภัยกับเราได้นะคะอย่างในช่วงแรกของรายการในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวของทางคุณโบแวนด้านะคะภรรยาของคุณปอทฤษฎีนั่นเองนะคะตอนนี้มีการออกมาโพสต์เตือนภยัยเนื่องมาจากว่ามีเพจมิจฉาชีพค่ะแอบอ้างชื่อคุณปอในการเรื่อยรายรับเงินเข้า กระเป๋าค่ะ โดยคุณโบแวนด้านะคะก็มีการมาโพสข้อความนะรูปภาพในอินสตาแกรมส่วนตัวระ บ, บุว่าเพจของโบจริงๆมีแค่3เพจนี้เท่านั้นนะคะก็คือมีโบแวนด้าสหวง pmw_official แล ะ, ะ d e r s c _official นั่นเองนะคะนอกจากนั้นไม่ใช่ของโบนะคะและไม่มีการขอรับบริจากและเรื่องรายเงินเกี่ยวกับพี่ปอทั้งนั้นโปรดระวังและอย่าลงเชื่อคะ่ะเพราะมีการแคปชั่นเพิ่มเติมนะคะว่าโปรดร วังอย่าลงเชื่อกันนะคะซึ่งเมื่อคุณโบมีการโพสต์ข้อความชี้แจงไปก็มีหลายๆคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็แสดงความเห็นเป็นกําลังใจให้นะคะโดยขอให้ผู้ที่ไม่หวังดีอย่าทําแบบนี้กับครอบครัวสาวงหรืออย่านําชื่อของคุณปอนะคะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีชาวเน็ตเนี่ยถามถึงเพศที่แท้จริงของคุณปอกันด้วยนะคะเผื่อว่าจะได้ทราบว่าตกลงเพจจริงของคุณปอเนี่ยเป็นเพศอะไรกันแน่นะคะก็จะได้ตรวจสอบได้นั่นเองค่ะ นอกจากเรื่องราวของคุณโบแวนด้าแล้วนะคะที่ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าไม่มีมีแค่สามเพจไม่มีเพจไม่ชาชีพนะคะมากที่คุณจะาอาสยามกันบ้างตอนนี้เนี่ยเธอก็มีการเรียกว่า ซื้อบ้านนะเป็นบ้านรูหลังที่4แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะมีบ้านหลังหนึ่งที่เธอได้ลงน้ำพักน้ำแรงเนี่ยนะคะจนเป็นเจ้าของโฉนดบ้านหลังนี้แต่ว่าสุดท้า ย, ยกลับไม่มีกรรมสิทธิ์ในการขายบ้านค่ะซึ่งเธอก็ออกมาเตือนแฟนเพลงนะคะถ้าจะซื้อบ้านต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีค่ะ เพิ่งจะมีข่าวดีนะคะเมื่อคุณจ่าอาสยามเองนะคะได้ซื้อบ้านหรูนะคะหลังที่4ในย่านของแจ้งวัฒนะนะคะมูลค่า20ล้านบาทได้แต่ว่าล่าสุดนะคะคุณจ่าอาสยามค่ะกลับรู้สึกว่าเซ็งสุดๆเลยเมื่อรู้ว่าบ้านย่านบางบัวทองที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้และผ่อนชำระจนได้โฉนดมา ครอบครองนะคะตั้งแต่ปี 2,559 แต่ไม่มีสิทธิ์ในการขายนะคะซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์เตือนแฟนเพลงบอกว่าเป็นคนดวงแจ็ดพอร์ตตลอดไม่ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ดีแต่วันนี้มาในรูปแบบไม่ดีเมื่อ4ปีก่อนจ๊ะมาอยู่กรุงเทพมหานครก็ได้ซื้อบ้านที่บางบัวทองจังหวัดนนท บ, บุรีตอนแรกซื้อดาวต่อมาก็โปะจนหมดจนโฉนดบ้านเป็นชื่อจ๊ะนางสาวนงพณนีมหัาไทยแต่มาวันนี้จะขายบ้านหลังนี้สรุปขายไม่ได้เพราะที่ดินพื้นนี้ติดอยู่ในคดีฟ ร, ร้องอยู่ระหว่างโครงการบ้านกับเจ้าของที่คนเดิมเรื่องนี้จ้าขอเตือนนะคะใครที่กาลังจะซื้อบ้านอย่าประมาทโดยแค่มองว่าเป็นโครงการใหญ่และมั่นคงเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้โครงการที่จะซื้อเป็นโครงการบ้านชันําเลยค่ะถ้าใครเคยติดตามชีวิตจ้าน่าจะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นโครงการของอะไรฝากทุกคนช่วยแชร์หน่อยนะคะ ซึ่งงานนี้นะคะคุณจาเองก็มีการคุยนอกรอบนะคะบอกว่าเรื่องของการดําเนินการตอนนี้นะคะก็มีลูกบ้านพานกว่าหลังคาเรือนค่ะกําลังประชุมกันว่าจะทําอย่างไรต่อไปนะคะแต่ทางโครงการก็ไม่ออกมาชี้แจงอะไรเลยทั้งที่มีการขายบ้านให้แล้วก็จดจํานองผ่อนชำระ ก, กับธนาคารต่อจนถ่ายถอนได้โฉนดเป็นของตัวเองแล้วแต่พอจะขายกลับขายไม่ได้เพราะที่ดินมีปัญหานั่นเองค่ะคุณจาก็เลยมีการโพสต์ลงโซเชียลถือเป็นการเตือนภัยนะคะให้กับแฟนเพลงคนอื่นๆด้วยที่คิดว่า ศึกษาโครงการมาดีแล้วแต่ก็ยังพลาดได้นะคะแล้วก็จะให้ชาวบ้านเนี่ยทำได้อย่างไรและจะมีหน่วยงานอะไรที่ช่วยเหลือดได้บ้างนั่นเองค่ะใครที่มีโครงการในการที่จะซื้อบ้านนะคะอย่าลืมตรวจสอบเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่ดินต่างๆให้เรียบร้อยนะคะว่าเป็นบ้านที่ติดเรื่องของการฟ้องร้องอยู่หรือไม่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างที่คุณจะว่าก็คือเราคิดว่าเราไม่พลาดและนะคะเราเลือก หมู่บ้านที่แบบเป็นหมู่บ้านใหญ่นะคะมีชื่อเสียงแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาก็ยังสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ดีนะคะทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ค่ะทางด้านของหญิงสาวท่านหนึ่งนะคะได้ออกมาแชร์ถูกช่างภาพหลอกลวงให้ถ่ายนู๊ตล่วงละเมิดนะคะหลังมีการทักหาผ่านเฟ e บุ๊กอ้างว่าจะหางานนางแบบให้ผ่านมา2ปีค่ะยังไม่มีสักงานพบผู้เสียหายนะคะเป็นหญิงสาวในจังหวัดภูเก็ตนับ100คนเลยค่ะ ซึ่มเนื่องจากเฟซบุ๊กเป็นปากเป็นเสียงนะคะได้มีการโพสเรื่องราวเปิดโปงตากล้องซึ่งมีการลวงหญิงสาวผู้เสียหายนับ100คนในจังหวัดภูเก็ตอ้างว่าจะหางานเดินแบบถ่ายแบบให้โดยล่อลวงนะคะให้ถ่ายรูปเปลือยแต่กลับไม่ได้รับว่าแจ้งงานแต่อย่างใดค่ะ รายงานนะคะรายการข่าวสามิติเองค่ะมีการรายงานบทสัมภาษณ์หญิงสาวผู้เสียหายนะคะซึ่งเธอเปิดเผยว่าถูกช่างภาพติดต่อผ่าน Facebook อ้างว่าต้องการหานางแบบเข้าสังกัดและสามารถป้อนงานเดินแบบให้ได้โดยใช้วิธีทักแชทขอให้ถ่ายรูปเรือนร่างส่งให้แล้วก็มีการนัดเจอเพื่อถ่ายรูปอีกครั้งโดยจะใช้วิธีโน้มน้าวให้หลงเชื่อนะคะเมื่อหลงเชื่อแล้วเนี่ยก็จะมีการบอกว่า เรื่องผ้าแก้ผ้าน ะ, ะให้ถ่ายรูปแล้วก็กลับถูกล่วงละเมิดนะะด้วยการเข้ามาใช้อ่าเข้ามานะะ ลวนลามนั่นเองนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไม่มีการหางานให้แต่อย่างใดนะคะยิงสาวท่านนี้ค่ะบอกว่าช่างภาพจะมีการโน้มน้าวให้ตนเองถอดชุดชั้ในออกทั้งหมดเพื่อถ่ายภาพเรือนร่างเก็บไว้ทำโปรไฟล์รือใช้พิจารณาก่อนป้อนงานโดยใช้หลักจิตวิทยานะคะอ้างว่าถ้ายอมแก้ผ้าถ่ายแล้วเนี่ยเวลาทํางานลักษณะ น, นี้ก็จะง่ายขึ้นความอายก็จะหายไปล้านเปอร์เซ็และมีการกล่าวอ้างนะคะว่านางแบบดังนั้นในจังหวัดภูเก็ตที่รู้จักกันเนี่ยก็ถ่ายแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วเพราะอะไรถึงจะต้องทิ้งโอกาส ผ่านไปสองปีค่ะคุณผู้หญิงท่านนี้บอกว่าก็ยังไม่ได้งานนะคะทางนี้เนี่ยมิผู้เสียหายเลยคะ่ะมีทั้งเด็กมอต้นเด็กมอปลายนะคะซึ่งช่างภาพรายนี้เนี่ยจะเข้าหาผ่านทางผู้ปกครอง นั่นเองนะคะขณะที่เฟซบุ o กนะคะสปอตไลฟ์ไทยแลนด์เป็นอีกหนึ่งเพจที่ติดตามเรื่องนี้บอกว่าผู้เสียหายได้แจ้งความแล้วนะคะแต่เวลาผ่านไป1สัปดาห์เนี่ยคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าโดยอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอค่ะและไม่มีผู้เสียหายมาร้องทุกข์ทั้งเพจนะคะก็เลยเดินทางเข้ายื่นหนึงซื้อถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติโดยขอให้เร่งรัดคดีและขอใหย้าย2องในตารวจเอกอ่าขอภัยค่ะขอใหยายสองในตรใยายนตรวจออกจากพื้นที่เพราะว่าผู้ก่อเหตุทําแบบนี้กับผู้เสียหายมานามนับอ่าสิปีแล้ว แต่ว่ายังไม่ถูกดำเนินคดีสักทีค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะเป็นการกินเลี้ยงที่บริษัทแห่งหนึ่งคุผู้ฟังแต่บริษัทแห่งนี้เขามีการแข่งขันดื่มแอลกอฮอล์นะแข่งขันดื่มเบียร์นะคะปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมนะซึ่งเป็นหนึ่งในพนักงานบริษัทแห่งนี้นะคะก็เข้าร่วมในการแข่งขันดื่มเบียร์แต่ปรากฏว่าเมื่อดื่มเสร็จปุ๊บ ล้มลงและเสียชีวิตทันทีเดี๋ยวที่ตามเรื่องนี้กันนะคะในช่วงหน้ากับเพื่อนเต็นภัไค่ะขอโทษที่ทำให้บอบช้ำขอโทษที่ยังให้เจ็บซ้ำ ลอยให้โดนตอกย้ำมันนานแค่ไหนรู้ดีว่าเขาจากไปไม่กลับมาก็ยังคงคิดถึงทั้งน้ำตาไม่รู้ทำไมขอโทษนะหัวใจอยากจะบอกขอโทษที่ไม่ให้หยุดพักขอโทษที่ทำให้เหนื่อยนะ ต้องเจิญความทอรมารนานแค่ไหนเจ็บเท่าไรก็ให้ฟืนทนหลอกตัวเองให้ล้เวียนวนว่าใจยังคง มี่หมดทุก เตือนภัยในช่วงที่2ของรายการนะคะในช่วงนี้ค่ะดิฉันมีข้อมูลนะคะเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคะในการแข่งขันดื่มเบียร์เร็วนะคะของบริษัทแห่งหนึงซึ่งเขามีงานเลี้ยงประจําปีนะคะเรื่องราวนี้ค่ะที่แพร่ผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ o กหมอแล็บแพนด้านะคะเป็นเรื่องราวของชายท่านหนึงค่ะได้ลงแข่งขันดื่มเบียร์เร็วหนึ่งเหยือกล้มหมดสติและเสียชีวิตนะคะก็มีการโพส์เตือนภัยสิ่งนักดื่มและเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆค่ะ โดยเรื่องราวนี้ได้ถูกตีแผ่โดยทีมข่าวช่องสามนะคะมีคลิปเหตุการณ์การแข่งขันดื่มเบียร์นับสิบคนซึ่งผู้ตายเป็นหนึ่งในนั้นนะคะจังหวดหนึ่งค่ะหลังจากที่ผู้ตายดื่มเบียร์หมดเยือกกรับเซและล้มลงเสียชีวิตสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างมากเลยค่ะ โดยเจ้าของเพจหมอแลปแพนด้านะคะนายแพทย์ภาคภูมิเดชทัศดินได้มีการให้สัมภาษณ์นะคะว่าตอนแรกเลยนะคะก่อนที่ข่าวคราวเนี่ยจะเป็นเรื่องที่รู้จักกันในวงกว้างนะคะมีเพื่อนของผู้ตายเองคะ่ะได้ส่งเรื่องมาให้ทางเพจหมอแลปแพนด้าโดยระบุว่าเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมานั้นมีการจัดงานเลี้ยงของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งในงานนะคะก็มีกิจกรรมการแข่งขันดื่มเบียร์หนึ่งเหยือกหากใครดื่มหมดก่อนเป็นผู้ชนะโดยผู้ตายเป็นหนึ่งในผู้ขแข่งขันคะ่ะกระทั่งผู้ตายดื่มเบียร์หมดเหยือก เกิดอาการเซและล้มลงเสียชีวิตคุณหมอบอกว่ากรณีนี้ไม่ใช่เคสแรกนะคะที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีการแข่งขันดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ alcohol, จนมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายครั้งเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์เร็วๆในปริมาณที่มากจะทําให้แอลกอฮอล์ในกระแสะเลือดนั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดแอลกอฮอล์เป็นพิษเฉียบพลันแล้วก็ไปกดระบบประสาทส่วนกลางเสี่ยงต่อการสำลักอาเจียนหายใจไม่ออกหยุดหายใจหมดสติและอาจถึงขั้นเสียชีวิตเพราะได้รับเกินขนาดค่ะ ทางนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะคะซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าดื่มแอลกอฮอล์ามากน้อยแค่ไหนจึงจะเสียชีวิตและไม่ใช่เฉพาะการแข่งขันดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นนะคะการแข่งขันกินเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือน้าเปล่าเองก็เสี่ยงทำให้เสียชีวิตได้ทั้งสิ้นค่ะทางนี้นะคะก็อยาก ให้เลี่ยงนะคะคุณหมอก็ฝากไปนะคะอยากให้เลี่ยงการจัด ก, การแข่งขันกินเร็วทุกชนิดด้วยนะคะเพื่อป้องกันเหตุสลดที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปซึ่งก็มีการนำเรื่องราวในราคามาเผยแพร่เพียงแค่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์กับคนอื่นๆเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะซ้ําเติมผู้เสียชีวิตแต่อย่างใดค่ะ นอกจากนี้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเป็นงานเลี้ยงนะคะของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะซึ่งมีการแข่งขันดื่มเบียร์เป็นกิจกรรมหนึ่งเพื่อสร้างสีงสันในงานเท่านั้นที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยค่ะแต่ว่าครั้งนี้นะถือว่าเป็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะคะโดยครอบครัวผู้เสียชีวิตนั้นก็เข้าใจและไม่ติดใจอะไรแต่ทางผู้จัดงานเองก็ได้มีการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวในเบื้องต้นและต่อจากนี้จะเลิกกิจกรรมแบบนี้อีกแล้วนะคะไม่จัดอีกแล้วค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้้้รออยแบบนนีีขึก ระมัดระวังกันด้วยนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเป็นการสังสรรค์นนะกินเลี้ยงกันวัดความใจไม่ใจนะคะเป็นความสนุกสนานแต่ว่าถ้ามองในมุมหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะถือว่าอันตรายนะคะการแข่งขันกินเบียร์เองบางท่านอาจจะทานเล็กน้อยน ะ, ะบางท่านก็ถ้าเรามั่นใจนะคะว่าเอ๊ะเราทานบ่อยทานประจําแต่ว่าการดื่มเบียร์ในปริมาณรวดเร็วในเวลาแค่ไม่กี่นาทีเพื่อแข่งกันดื่มเนี่ยนะคะก็จะมีผลเสียอย่างที่คุณหมอได้แนะนํากันออกมาะคะ่ะ อีกเรื่องเล่าหนึ่งนะคะมากระที่แก๊งปลาหินอลาวาดอีกแล้วนะคะเรื่องเล่านี้ค่ะผู้จัด ก, การสาวโรงแรมชื่อดังที่บุรีรัมย์ได้โพสต์นะคะว่าเธอเนี่ยจอดรถเก่งที่หน้าฟิตเนสนะคะแต่ถูกชายปริศนาขับจกักรยานยนต์ปาหินใส่กระจกแตกเกือบทั้งบานเลยค่ะเผิ่ว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครนะคะก็เขาแจ้งตำรวจเพราะว่ามีผู้เสียหายลักษณะนี้เนี่ยเกือบสิบรายด้วยกันทั้งที่มีการจอดรถริมถนนแล้วก็หน้าบ้านเร่งดูดกล้องวงจรปิดเพื่อล่าตัวคนร้ายค่ะ ผู้ใช้เฟซบุ o กนะคะใช้ชื่อว่าทิดารัตสอนปัญญาค่ะเธอได้โพสต์ข้อความเตือนภัยผู้ใช้รถบอกว่าระวังด้วยค่ะวันนี้กิ๊กสวยไปหน่อยดันเป็นรถกิ๊กส่วนรถอีกคันที่โดนเหมือนกันหนะ้าอิสุสุซึ่งเวลาไล่เรียกกันกิ๊กน่าจะโดนคันแรกขอยาปล่อยผ่านกิ๊กอาจจะเร่งหาตัวคนทําผิดช่วยตํารวจอีกแรงพร้อมกับโพสต์ภาพนะคะเป็นรถเก่งของเธอเองที่ถูกคนร้ายปาหินใส่แตกเสียหายเกือบทั้งบานนะคะสอบถามเจ้าของโพสต์คุณทิดารัตสอนปัญญาหรือคุณกิ๊กอายุ28 ปีเท่านั้นนะคะปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งในตัวเมืองบุรีรัมย์เธอเล่าเหตุการณ์นะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงค่ํา30มิถุนายนที่ผ่านมาและะังจาเธอขับรถเก่งนะคะยี่ห้อアอウติสนะคะไปจอดไว้ที่ริมถนนฝั่งตรงข้ามกับร้านฟิตเนสแห่งหนึ่งในซอยแสนสุขตะบนในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์แล้วเธอก็เข้าไปออกกําลังกายตามปกติเหมือนเช่นทุกวันที่ทํานะคะกระทั่งเวลาประมาณ3ามทุ่มเศษค่ะก็เดินออกมาจากร้านฟิตเนสเพื่อจะขับรถกลับบ้านก็ตกใจนะคะเพราะว่า Okay. เห็นว่ากระจกหน้ารถเนี่ยแตกเสียหายเกือบทั้งบานเลยค่ะและเมื่อตรวจสอบรถนะคะก็พบก้อนหินขนาดใหญ่ตกอยู่จึงคาดว่าน่าจะถูกทุบหรือว่าปาหินใส่นะคะก็เป็นการอไปขอดูกล้องวงจรปิดนะะร้านซักรี่ที่อยู่ใกล้เคียงจุดเหตุอจุดเกิดเหตุปรากฏนะคะว่าในช่วงเวลาประมาณ 19.46 นาทีนะคะมีรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยคันหนึ่งไม่ทราบยี่ห้อแล้วก็หมายเลขทะเบียนซึ่งตอนแรกขับมาเลนซ้ายตามปกติแล้วจู่ๆก็เบี่ยงไปเลนขวาใกล้กับรถที่จอดอยู่ซึ่งขณะนั้นนะคะ ก็มีร้านขายของชางฝั่งตรงข้ามค่ะได้ยินเสียงดังคล้ายกระจกแตกแต่ไม่รู้เป็นเสียงที่คนร้ายชายก้อนหินปาใส่กระจกรถเบื้องต้นนะคะคุณกิ๊กเองก็มีการนําหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองบุรีรัมย์เป็นหลักฐานค่ะเพื่อเจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ ด, ดําเนินคดีนะคะ คุณกิ๊กบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรจึงถูกปาหินใส่กระจกรถแตกเสียหายแบบนี้แต่จากการดูแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งแหวรุ่นที่คือขนองหรือเป็นพวกโรคจิตที่ชอบปากของใส่รถคนอื่นซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่นะคะบอกกับ คุณกิ๊กเองตอนที่ไปแจ้งความนะบอกว่ากรณีคุณกิ๊กเนี่ยไม่ใช่เหตุแรกที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าในวันเดียวกันเนี่ยมีรถถูกปาหินใส่ถึง3รายและก่อนหน้านี้นะคะก็มีคนเข้าไปแจ้งความว่าถูกปาหินใส่รถทางรถเกง๋งรถกระบะจอดไว้เลนถนนหรือว่าแม้กระทั่งหน้าบ้านตัวเองเนี่ยเกือบ10บรายด้วยกันขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเองกําลังเร่งแกะรอยผ้าวง กล้องวงจรปิดนะคะเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุดําเนินคดีให้ได้โดยเร็วเพราะถือเป็นภัยต่อสังคมค่ะส่วนรถเก่งของคุณกิ๊กที่ถูกปากระจกด้านหน้าแตกเสียหายนะคะเบื้องต้นก็มีการนําไปให้ศูนย์บริการตีราคาเพื่อซ่อมอยู่ที่ 10,000 กว่าบาทซึ่งนอกจากจะเสียเงินค่าซ่อมรถเองแล้วเนี่ยยังได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่มีรถขับไปทํางานด้วยต้องอาศัยรถคนอื่นช่วยรับส่งจึงอยากฝากเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะเร่งติดตามตัวมือปาหินมาดําเนินคดีให้โดยเร็วนะคะเพราะหากปล่อยไว้เนี่ยนะคะอาจจะไป สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับบุคคลอื่นอีกค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้มีแค่บุรีรัม์เท่านั้นในหลายพื้นที่เองนะฮะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทางแกงป่าหินเองหรือว่าอ่า โจ น, นะะที่จะมีการขโมยของในรถอะไรต่างๆนะะถ้าจะจอดรถอย่างไรยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทิ้งท้ายค่ะกับเรื่องราวของการเตือนภายในช่วงนี้นะคะหญิงสาวท่านหนึ่งค่ะโพสโดนพ่อค้าหลอกขายไอศครีมราคาแก้วละ40บาทเลยค่ะที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินภูเก็ตโดยพ่อค้าอ้างว่าต้องหนีเทศกิจมาแอบขายก็เลยทำให้ราคาสูงค่ะผู้ใช้เฟซบุ o กนะคะกัญญพัก นะคะคได้มีการโพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ที่เธอนั้นได้เจอน ะ, ะที่บริเวณปลายแหลมสะพานหินภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยระบุนะคะบอกว่าตัวเองได้พาหลานมานั่งเล่นปลายแหลมสะพานหินภูเก็ตจากนั้นก็มีรถขายไอศกรีมขี่ผ่านมาก็เลยเรียกแล้วก็สั่งให้หลา น, ลานกิน5้าแก้วเมื่อถามราคาแก้วละเท่าไหร่ตกใจมากเลยคะ่ะเพราะว่าคนขายบอกว่าแก้วราคาละ 40บาทนะคะด้วยคนขายเหตุผลบอกว่าราคานี้เนี่ยเพราะว่าต้องขี่รถหนีเทศกีดเข้ามาขายนะแล้วก็อ้างว่าเจ้าอื่นเนี่ยเขาขายแก้วละห้อะหกสบาทเลยทีเดียวนะคะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ค่ะผู้โพบอกว่ารู้สึกว่าถูกเอาเปรียบแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าสั่งไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากจะมีการฝากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นที่จะเข้าไปพักผ่อนในปลายแหลมสะพานหินภูเก็ตนะคะจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบอย่างเช่นตัวเองเรื่องดังกล่าวนี้นะคะถูกแชร์ออกสู่โลกโซ แล้วก็มีคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้าเพื่อนเตืนภัยค่ะว่าฟังคะมีเรื่องราวตัวแทนแม่ค้าขายของแบรนด์เนมออนไลน์นะคะได้เข้าร้องเรียนตำรวจหลังถูกโกงนะคะมูลค่าความเสียหาย 6.5 ล้านบาทนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือใครที่มีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านนะคะ ผู้สวงอายุที่บ้านต้องระมัดระวังกันอันนี้เป็นกลหม่ของมิจฉาชีพนะคะทำทีว่าส่งของเก็บเงินปลายทางเสียงเงินไปเปิดออกมาไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากเหรียญราคาถูกนะเดตตามช่วงหน้าเพื่อนแตนัยค่ะสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ศูนย์รังสิโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีให้บริการตรวจรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย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 ในช่วงนี้ค่ะมีเรื่องราวนะคะของตัวแทนแม่ค้าขายของแบรนด์เนมทางออนไลน์ค่ะได้โรงเรียนรองพบตรรนะคะหลังถูกเชิดนาฬิกากระเป๋าหรูเสียหายกว่า 6.5 ล้านบาทพร้อมเตือนภัยทางสังคมอย่าหลงเชื่อค่ะคุณจิรัชยาเอื้อชัยกุลนะคะอายุ49ปีเป็นนักธุรกิจซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายพ่อค้าแม่ค้าของแบรนด์เนมทางออนไลน์ทั้งนาฬิกาโรเล็กปาเต้และ กระเป๋าแบรนด์เนมดังๆนะคะเดินทางเข้าโรงเรียนต่อพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้จาการตำรวจแห่งชาติหรือรองพบรตอรอให้ช่วยเร่งรัดดำเนินคดีกับหญิงสาวที่เป็นภัยต่อสังคมหลอกให้ส่งนาฬิกาแล้วก็กระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเชิดเงินหนีนับ10บรายนะคะมูลค่าความเสียหายกว่า 6.5 ล้านบาทค่ะ โดยพลตำรวจเอกวิรชัยบอกว่าช่วงนี้นะคะก็มีขบวนการช่อโกงประชาชนเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ขายของผ่านทางโซเชียลมีเดียมีราคาแพงนะคะอย่างเช่นนาฬิกากระเป๋าเครื่องประดับที่มีค่าก็จะมีกลุ่มวิชาชีพนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะของคุณนัทธิดาขออภัยค่ะนัิดารุจิตาพัชร ส, สิตินะคะอายุ31ปีนะคะก็ผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยททีว่าจะสนใจนะคะ ที่จะซื้อทรัพย์สินที่จะขายแล้วก็มีการวางเงินมัดจาก่อนเพื่อให้ m e s s เจอร์ส่งของมาให้ดูนะคะพอผู้เสียหายส่งของมาให้ดูปรากฏว่าระหว่างดูของเนี่ยคนร้ายก็จะใช้กลอนอุบายให้เกิดการสับสนแล้วก็เผลอหยิบของขึ้นรถขับหนีไปเลยค่ะบางครั้งก็ทําทีไปที่บ้านผู้เสียหายเพื่อซื้อนาฬิกาจ่ายเงินเป็นเช็คนะคะก่อนจะรับของไปก็ทําเป็นว่านําเงินเข้าธนาคารเงินก็จะโชว์ในบุ๊กแบงค์นะคะผู้เสียหายเห็นตัวเลขในบัญชีก็จะมอบของให้กับคนร้ายพอเอาเช็คไปขึ้นเงินจริงกลับเด้งไม่มีเงินในบัญชีค่ะ กาตรวจสอบนะคะแก๊งนี้เนี่ยทันทีที่ได้ของจากการจรกากรรมไปแล้วเนี่ยจะนําไปรงรับจํานําทันทีค่ะถ้าของมูลค่า2ล้านก็จะนําไปจํานําในราคาล้านกว่าๆซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไปที่โรงรับจํานํามีของไม่น้อยกว่า20รายการเลยค่ะที่ผู้ต้องหารายนี้ได้นําไปจํานําซึ่งทางรงรับจํานําเองนะคะได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นอย่างดีจากการตรวจสอบทางรับจํานําเองมั่นใจนะคะว่ามีคนรายมากกว่า1คนอีกทั้งจะมีการตรวจสอบอีกทีหลังผู้ต้องหาถอนออกไปบางส่วนว่านําไปให้ใคร ะะและถ้าใครรับวายก็จะถือเป็นความผิดฐานรับของโจรยัง ก, ก็ตามแล้วนะคะอยากจะเตือนประชาชนเองที่มีการขายของออนไลน์นะคะต้องระมัดระวังนะคะอย่าหลงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเด็ดขาดค่ะทิงท้ายกันในวันนี้กับเพื่อนเตือนภัยนะคะผู้อย่าบ้านหญิงหากได้ออกมาเตือนภัยระวังตกเป็นเหยื่อส่งของออนไลน์นะคะหลังคุณแม่ของเธออยู่บ้านคนเดียวเซ็นรับของเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินไปเกือบ600บาทเปิดกล่องดูมีแต่เหรียญราคาถูกค่ะ เรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นที่ร้านขายของชำตรงข้ามปากทางเข้าบ้านโนนสวรรค์ที่ตาบลเกิ้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามค่ะคุณเพทยัยลันขุนทศนะคะอายุ46ปีเป็นผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์นะคะและคุณแม่หนูคล้ายแพงวิเศษอายุ1 8ปีคุณแม่ของคุณเพทายก็มีการพูดถึงเรื่องราวนี้นะคะโดยนะคะ คุณแม่ของคุณเพทายนะคะคุณหนู่คล้ายบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้น23มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะลูกสาวนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่อยู่บ้านตัวคุณแม่เองอยู่เช่าร้านขายของชําคนเดียวต่อมาค่ะก็มีพนักงานบริษัทส่งสินค้าพัสดุเนี่ย น, นะคะขับรถมาที่บ้านแล้วก็เอาพัสดุมาส่งบอกว่ามีค่าใช้จ่ายเก็บเงินปลายทางคุณแม่ก็ไม่ได้เอะใจก็จ่ายเงินไปค่ะ6กห้อยาสิบบาทไม่ได้มีการเซ็นเชื่อรับพัสดุนะคะจากนั้นพนักงานก็ขับรถออกไป ต่อมาเมื่อลูกสาวกลับมาจากการประชุมก็ส่งกล่องพัสดุให้ลูกสาวก็งงนะะบอกว่าไม่ได้สั่งของอะไรเลยนะ เขยาะกรองดูปรากฏว่ามีเสียงนะคะก็เลยแกะออกดูพบว่าเป็นแหวนทองปลอมไม่มีราคาก็เลยรู้ว่าเอาถูกหลอกซะแล้วค่ะซึ่งทางน้านของคุณเพทายเองนะคะผู้ใหญ่บ้านหญิงนะคะก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนที่สั่งของออนไลน์ประจํานะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยแปลกตรงที่ชื่อผู้รับมีเพียงแต่ชื่อของตัวเองไม่มีนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ใช่บ้านเลขที่ก็ไม่ถูกก่อนที่จะมาส่งของพนักงานก็ไม่โทรศัพท์มาแจ้งแต่กลับนําของมาส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็เก็บเงินส่วนแม่ก็เห็นว่าตัวเอง ในสั่งของออนไลน์ประจําอยู่แล้วก็ไม่ได้เอกใจอีกทั้งพอโทรศัพท์กลับไปตามที่อยู่ผู้ส่งปรากฏว่าหมายเลขนั้นติดต่อไม่ได้ค่ะยัง ก, ก็ตามแล้วนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ก็คงไม่ไปแจ้งความนะคะคิดว่าเป็นคราวเคราะห์แล้วก็นําเรื่องที่เกิดขึ้นไปโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเป็นการเตือนภัยด้วยต่อไปก็จะระวังตัวเองแล้วก็บอกคุณแม่ให้ระวังมากกว่านี้นะคะทุกวันนี้มีจฉาชีพนั้นหา ก, กินได้ง่ายมากก็เลยอยากจะฝากเตือนภัยใครที่มีอ่า ผู้สูงอายุอยู่บ้านคนเดียวนะคะระมัดระวังด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะมีพัสดุมาส่งเก็บเงินปลายทางหลอกกันนะคะบางทีก็สอบถามคนในครอบครัวก่อนนะคะว่ามีการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือไม่อย่าเพิ่งจ่ายเงินถ้าไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องรับรองนะคะไม่ต้องรับของก็จะไม่ถูกหลอกแบบกรณีของตัวเองนั่นเองค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมิจฉาชีพนั้นมาในหลากหลายรูปแบบนะคะผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญเลยนะคะก็ต้อง ระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่นอนก่อนที่คุณจะเซ็นรับของอะไรต่างๆสั่งจริงหรือไม่และคนสั่งสินค้าเองก็อย่าลืมบอกที่บ้านด้วยถ้าเกิดมีการสั่งสินค้ามานะคะสั่งผ่านทางเส้นทางไหนนะคะใครจะมาส่งเก็บเงินปลายทางหรือไม่เงินราคาเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจตรงกรันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะนี่คือรังราทั้งหมดในวันนี้กับเพื่อนตืนภัยนะคะกู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการเพื่อนตืนภัยได้ใหม่ในเช้าวันพระราษฎรีหน้าส่วนวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ